การเข้ามาพัฒนาชีวิตด้วยการเจริญสติเป็นเป็นกิจกรรมที่ประเสริฐวิเศษที่เป็นการกิจกรรมยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราขึ้นตามลำดับจากความเป็นนรกขึ้นมาเป็นเปรตจากความเป็นเปรตขึ้นมาเป็นอสุรกายจากความเป็นสุรกายขึ้นมาเป็นเดรัจฉาน จากความเป็นเดชานขึ the the ้นมาเป็นคนจากความเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาจากความเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นพระอินทพระพรหมจากพระอินทพระพรหมมาเป็นพระอดียเจ้าเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันขึ้นมาเป็นสกิทาคามีจากสกิทาคามีเป็นอนาคามีจนถึงเป็นพระหันได้นะงมีถึงแปด แปดสายด้วยกันทางแปดสายที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปเป็นชั้นเป็นชั้นตามลำดับก็อาศัยการเจริญสติการเจริญปัญญาตามลำดับที่พุทธเจ้าทรงวางเอาไว้แต่ใครจะยกระดับจิตของตนเองถึงระดับไห น, นก็จะรู้ด้วยตนเองประจัดตังเราไม่สามารถจะชี้บอกกันได้ชัดเจน ความรู้นั้นพิสูจน์ด้วยตัวเองดังนั้นการทําแบบเดียวกันเนี่ยการจับความรู้สึกการเคลื่อนไหวในหลักของสี่ประฐาน4ี่เหมือนขุดดินลงไปในชั้นดินเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจนไปพบแหล่งน้ำํำแหล่งตาน้ำํำดินหลายหลายชั้นลงไป มันกานกันเราขุดลงไปในชีวิตจิตใจของเราเรื่อยๆโดยอาศัยสติเป็นดำเสียมนะอาศัยปัญญาเป็นเสียมอาศัยแรงวิริยะศรัทธาเป็นตัวขุดลงไปเรื่อยๆดังนั้นการเจริญสติแบบนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เราจะต้อง ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการพัฒนาชีวิตกิจใจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากชั้นต่ำขึ้นไปชั้นสูงสุดจากอ่อนแอที่สุดขึ้นไปถึงเข้มแข็งที่สุดเรียว่าจากสนนรกขึ้นไปจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเองในการเคลื่อนไหวแบบนี้จึงเป็นพลังของเราตลอด มันได้กล่าวแล้วมันเป็นพลังน้ำที่ได้หยดได้หยดได้หยดเมื่อรวมกันมากเข้ามากเข้าเม่ให้มันไหลไปทางอื่นมันก็เก็บกักไว้เป็นพลังสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในวันก่อนๆนั้นเราได้พูดถึงสติประฐานกายเวทนาเรื่องจิตวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอารมณ์หรือเรื่องธรรมารมหรือเรื่องธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อที่พูนไปนําไปปฏิบัติจะได้เรียบเรียงได้ถูกเพราเวลาเราปฏิบัติอยู่กับบ้านเนี่ยเราจะเรียงอารมณ์ของเราอย่างไรมันถึงจะเดินทางไปถูกเพราะบางคนนั้นจะอาจจะตั้งใจจริงจังในการทำแต่ถ้าหากว่าเราจําการเดินทางของจิตไม่ได้มันก็จะหลงทางก็ทําให้เสียเวลาดังนั้นเองในช่วงเช้าก็อยากให้ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาตามไป เพราะการเส้นทางของจิตนี่มันไปอย่างไรเหมือนกับเราจากที่นี่เราจะไปกรุงเทพเนี่ยเราจะผ่านทางสายหนังบ้างาผ่านป้ายไหนบ้างที่จะเป็นสายเป็นป้ายบอกไปทางกรุงเทพได้เนี่ยไปถึงกรุงเทพไปปลอดภัยชั้นใดก็ดีเราเดินทางทางจิตถึง8สายเนี่ยตั้งแต่สายนรกไปถึงสายอรหันต์นี่ เราจะเดินอย่างไรเพราะในชีวิตวันของเรานั้นมันมีอารมณ์สลับกันหลายๆอย่างหลายอารมณ์นะอารมณ์โลภบ้างอารมณ์โกรธบ้างอารมณ์หลงบ้างอารมณ์อิชานิชยารอารมณ์อึดอัดขัดเคืองอารมณ์ขัดแย้งอารมณ์ลือด้านวันไหวอารมณ์ดีมีเหตุมีผลอารมณ์มีความรักความเมตตาอารมณ์มี ศรัทธาและความเพียรสลับกันไปเรื่อยๆในแต่ละแต่ละวันมันมันยังไม่คงที่ดังนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะปรับระดับอารมณ์ให้คงที่ถ้าหากเราเป็นคนเราเป็นเป็นแกนกลางคำว่าคนเหมือนเราใช้ทัพีคนทัพีจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะคน อะไรหลายๆอย่างในหม้อเนี่ยให้เข้ากันเป็นแกงเป็นขนมเป็นอะไรต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็คนถ้าไม่คนมันแช่ถ้ามันแช่แล้มันก็ไม่เนีเหมือนกันชีวิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่คนหาให้มันพอดีพอดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนให้มันเข้ากันพอดีพอดีเขาเรียกมัดชิมาปฏิปทาคนนั้มันเข้ากันเป็นศูนย์กลางหรือเรียกว่าคนแต่ว่า คนแล้วเราจะเลือกเอาสิ่งที่ดีๆนะเบื้องต้นที่สุดเราก็มาดูทบทวนเบื้องต้นที่สุดที่วันแรกที่เราพูดถึงว่าชีวิตประกอบด้วยจิตใจประกอบด้วยกายประกอบด้วยรูปกับนามสองอย่างกายกับใจรูปกับนามให้จําตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่ากายมันมีการทํางานอะไรบ้างในแต่ละขณะเนี่ยการทํางานของกายมันมีอะไรบ้างมองลงไปชัดๆ ว่กายขณะนี้เราทำงานอะไรบ้างมีการเคลื่อนไหวเห็นได้สัมผัสได้มีการเคลื่อนไหวภายนอกการเคลื่อนไหวภายนอกที่เห็นชัดๆดคือไอรีบทนั่งลำดับให้เห็นชัดลงไปแล้วก็ในอรีบทนั่งเรามีอะไรต่อไปที่เห็นได้สัมผัสได้ก็มีการเคลื่อนไหวมื อ, อการเคลื่อนไหวมือพอเห็นได้ แต่พอการเคลื่อนไหวในส่วนอื่นการเปลี่ยนยบทจากนั่งท่าหนึ่งไปสู่ท่าหนึ่งก็สัมผัสได้นี่ให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยจากท่าเรียบทที่เราเคลื่อนไหวในส่วนมือและในส่วนอื่นนะพับตาอาปากพอเห็นได้เวลาพูดอาปากเวลาพับตาพอเห็นได้แล้วหายใจเข้าไปอีก หายใจก็เพียงแต่รู้ใครรู้มันแต่เห็นไม่ได้แล้วเห็นไม่ชัดละเราซ้ำเริ่มสัมผัส ด, ด้วยตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นเราได้ก็จะเพาะยายับยเคลื่อนไปภาพตาอาปากเปลี่ยนยบทเดียวซ้ายไหลขวานคนอื่นสัมผัสได้เราสัมผัสได้พอลงหายใจนี่คนอื่นสัมผัสมาได้แล้วเราสัมผัสได้คนเดียวหายใจอันนีชวนของลึกเข้าไปอีกเยน็นร้อน อ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดที่เป็นเวทนาคนอื่นยิ่งสัมผัสไม่ได้ใหญ่นะแต่แล้วยิ่งเราก็าสัมผัสด้วยตัวเองเห็นเข้าไปแล้วก็ในเวทนาตัวนี้ก็ตั้งแต่หัวจุดเท้าทุกอาการถึง32อาการมันมีเวทนาหมดลําดับตั้งแต่ไปหนักไปถึงเบาไ ป, ไปถึงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นแสบตรงนี้ ขัดตรงนี้ยอดคนนี้ลาดับไปยโลเวทนาในส่วนกายแล้วยังพอสัมผัสแล้วพอสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสที่นี้หน้าที่ของหน้าที่ของรูปมาถึงแค่นี้ที่จะดูได้หน้าที่ของรูปมามาจบตรงนี้เรียกว่าอารมณ์รูปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปลำดับสัมผัสอยู่เสมอเสมอความหมายขอาว่า ร, ารู้จักรูป ถ้าในชั่วโมงหนึ่งเราสัมผัสได้ถึง 25% นตีก็ถือว่ า, าจิตของเราเนี่ยมีหลัก 25% ่อถ้าความคิดและอารมณ์อะไรมานี่ก็พอสู้ได้ละถ้าเป็นหลักก็เลยว่าตอกแน่นลงไปร0 0เนี่ยลงไปลึกไป 25% หอเนี่ยถ้ามีอะไรมาชนก็ไม่ไม่หลุดง่ายๆละไม่ล้มง่ายๆ่ า, า, าแบ่งเป็น4ส่วนแล้วตอกเข้าไปแล้วส่วนหนึ่ง สามส่วนอยู่บนดินทีนี้ในส่วนต่อมาล่ะลมองมาถึงแค่นี้สำรวจเห็นได้ตลอดไหมลำดับบ่อยๆออมีตัวหลักคือตัวรูปนะตัวรูปนี้มีตัวเคลื่อนไหวภายนอกคือสัมผัสเห็นได้ด้วยตาแล้วก็เคลื่อนไหวภายในที่สัมผัสเห็นได้ด้วยใจนี้ต่อมาการเคลื่อนไหวระดับต่อไป ผู้ที่รับรู้การเคลื่อนไหวเป็นใครนี่เขามาเขตของนามแล้วมาเขตของรูปมาอยู่ที่เวทนามาเขตของนามคือใจเนี่ยมารับรู้การเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รับรู้อย่างเดียวบางครั้งมีเรื่องต้องนึกต้องคิดต้องพิจารณานะเมื่อเสียงเข้าหูอนะ่านหมายความว่าอย่างไรเราก็พิจารณาตามนะหรือบางทีมีผัสสะอะไรมากระทบทางกาย มันก็ใครไปรู้สึกนึกคิดกับภาษาอันนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของจิตละทีนี้สติสัมยาที่เราทํามูเนี่ยมองเข้าไปเห็นการกระทํางานของจิตไหมเมื่อเมื่อใครการเห็นการทํางานของจิตที่ไปเกี่ยวข้องอารมณ์นั้นๆเรียกว่าแยกออกระหว่างกายกับจิตเราเริ่มมีตัวกลางขึ้นมาตัวกลางนี่เป็นตัวรู้ตัวสังเกต ตัวฝ้าดูตัวพิจรารณาตัวเพ่งพินิจตัวกําหนดรู้แล้วแต่เราเจะเรียกแต่เราเรียกคําว่าสติกาหนดรู้สันส้นๆทีนี้ไอความละเอียดของผู้ดูผู้สังเกตเนี่ยจะมีสูงแค่ไหนถ้าสูงมากก็ดูได้ละเอียดมากทาัก้งรูปทั้งนามเพราะ้นในตัวอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งจิต มันก็จะออกเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวแต่จิตเนี่ยเป็นคนเป็นคนสร้างภาพขึ้นมาอย่างเป็นรูปเลียว่านา ม, มารูปอยู่สร้างภาพขึ้นมาแต่ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถ้าสติที่เป็นสมาสติเข้าไปกําหนดภาพเหล่านี้ภาพเหล่านี้ก็รวมลงไปเป็นเป็นรูปนามนา ม, มารูปเมื่อสติ สัมปชัญะปัญญามารู้ทันนามรูปนี้ก็สลายตัวลงเป็นรูปนามแต่ถ้าสติสัมปชัญญะมากับนูกับหมดรู้ไม่ทันเพราะความเผลอหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนามรูปตัวนี้ก็ก็ดูดเอารูปนามเข้ามาเป็นตัวของมันเองแล้วกลายเป็นสังขารวิญญาณ น, นามรูปภาษาเวทนาตรหัวทานไปเรื่อย ไปสู่กระแสของความทุกข์กระแสของตัณหาละนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้ามีมีการเคลื่อนตัวของกายของจิตถ้ามีตัวผู้รู้เข้าไปคอยกากับสังเกตอยู่นั้นตัวนามรูปจะถูกแปลสภาพไปเป็นรูปนามไปเรื่อยๆนั่นหมายความพลังของสติสมาธิก็จะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไรตัวนามรูปคือตัวนึกตัวคิดปรากฏขึ้น ตัวสติสัมยัญญาเข้าไปกับหนูกำห น, หนดรู้ไม่ทันตัวนามมารูปตัวนั้นก็จะ ด, ดึงดูดเอาพลังของรูปนามไปใช้รับใช้อวิชาตันหาวัฏฐานกรรมเสมอแล้วก็ไปสู่กระแสของทุกกรแสของตันหาต่อไปมัน <c oughs> ต, ตัวสร้างกระแสจริงๆก็คือตัววิชากับวิชานั่นแหละเมื่อใดวิชามาทันกระแสแห่งความดับทุกข์ก็ปรากฏ เมืม่อใดวิชามาไม่ทันอวิชาเข้าไปทำหน้าที่แทน <c oughs> กระแสแห่งความอยากและกระแสแห่งความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นอยู่อย่างนี้กระแสแห่งความดับทุกข์คือกระแสของรูปนามกระแสของการเกิดทุกข์คือกระแสของนามารูปนะแต่ว่ามันเป็นเพียงต้นเหตุเท่านั้นมันยังไม่ใช่ตัวแต่ผู้ที่จะกาหนดให้มันเป็นเหตุของสุขเหตุของทุกข์ <c oughs> เหตุของการดับทุกข์จริงๆนั้นอยู่ที่ ที่ตัววิชาหรืออวิชาเป็นตัวแปรที่สําคัญดังนั้นเมื่อมีการกําหนดการพัฒนาสติสมาธิอย่างถูกต้องต้องเน้นว่าถูกต้องด้วยนะเพราะสติสมาธิที่ไม่ถูกต้องก็มีคือทำํำนะตามศรัทธาแต่ว่าไม่ไม่เกิดสัมมาปัญญาไม่เกิดสามายานที่ถูกต้องก็มีการกระทําอยู่นะเพราะในวงของนักปฏิบัติ กรรมฐานเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในขบวนการทั้งหมดก็มีน้อยลงไปตามลำดำับเพราะว่าความแจ้งแจ้งชัดเจนในการเฝ้าดูเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ถูกต้องไม่ไม่ชัดเจนมันก็จะไปหลงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งงนั้นขั้นตอนนี้เราเราต้องทำในลักษณะเป็นผู้ศึกษา ไม่ใช่ทำลักษณะเป็นผู้เป็นผู้เอาถ้าเมื่อใดเราลักษณะเป็นผู้เป็นผู้เอาตัวรู้ตัวนั้นก็จะไปรับใช้วิชาแต่ถ้าเราเป็นผู้เราเป็นผู้ศึกษาในสิ่งที่กําลังทำเนี่ยศึกษาในแง่ของศีลเรียกว่าอาธิศีลสิขาศึกษาในการเป็นไปของจิตเรียกว่าอาธิจิตสิขาศึกษาในความเป็นไปของอารมณ์ได้ความรู้ที่เข้ามาทุกขณะเป็นเรียกว่าอาธิปัญญาสิขา ถ้าเราเรียนรู้ในลักษณะเป็นการศึกษาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นวิชาเป็นส ม, มาญาณไปนั้นเบื้องต้นให้รู้รูปกับนามให้ชัดก่อนไม่ต้องไปไกลรู้ตอกย้ำซ้ำไปสมาอย่างนี้แต่ที่ที่จะรู้อย่างนี้ได้เนี่ยมันไปทวนกระแสของจิตเพราะจิตของเราที่มันเคยถูกยึดครองด้วยกระแสของอวิชาตันหาวัฏฐานมาเนี่ย มันไม่ชอบการซ้ำซากแต่มันชอบการเปลี่ยนแปลงนะชอบการเปลี่ยนแปลงก็เรื่อนันทิราคาสหัคตะดภูนับผวังคือชอบเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆอันไหนที่มันเก่าขําค่าแล้วมันก็มันก็ไม่ชอบมันก็ส ร, สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเกิดใหม่สร้างพบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆโปโนภวิกาท่านใช้คำโปโนภวิกา ในการลักษณะที่สร้างเปลี่ยนแปลงไปหาพบใหม่เพราะจิตมันมันหนีอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ได้ตามบทบีมันมันหนีไปเรื่อยๆสร้างพบใหม่ไปเรื่อยๆสร้างกะระแสตัณหานี่ถ้าเราไม่ทันแต่พอมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราไม่ให้มันสร้างพบใหม่ให้มันมารู้จักพบมาให้ความหมายซ้ำรากอยู่อย่างนั้นแหละ นั่งก็นั่งอยู่นั้นสร้างจังหวะเดินหงงก็ทําอย่างนั้นนะจิตมันจะดิ้นรนไปสร้างพบใหม่แล้วไมาให้มันสร้างมันดิ้นรนไปสร้างเรื่องใหม่แล้วม่ให้มันสร้างเพราะถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายมีการเกิดก็ต้องมีการดับเมื่อเราอยากหนีการเกิดเมื่อเหลือหนีการตายการแก่การเจ็บการตายเราก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกิดนะแต่ถ้ามันยีดีในการเกิดใหม่โพโนภวิกายอยู่เนี่ยมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการแก่เกิดแก่เจ็บตายใน แง่ของปรมัดก็ค <t> <half> ือการปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายในขบวนการของปรมัตดแต่ไม่ใช่เป็นการเกิดแก่เจ็บตายของของรูปการเกิดแก่เจ็บตายของรูปไม่เป็นเพียงผลขั้นสุดท้ายเรียกว่าการสลายแตกแยกไปแต่การเกิดแก่เจ็บตายของของนามมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราปรุงแต่งขึ้นการเกิดแก่เจ็บตายก็ปรากฏกระแสของอนิจจังทุกขังนัตตก็ปรากฏ ดังนั้นเมื่อเรายินดีในการเกิดมันก็ต้องหนีการแก่การเจ็บการตายไม่พ้นเรายินดีในการปรุงแต่งนึกคิดมันก็จะต้องหนีความอยากอวิชชา ต, ตันหาประธานไม่พ้นนี่ยดังนั้นเราทุกคนที่มาเนี่ยเรายินดีที่การมาทำลายทำลายภพชาติของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ยังกลัวอยู่กลัวเราจะไม่ได้เกิดนะ เดี๋ยวเมื่อเรากลัวยังไม่ได้เกิดเราก็การตั้งใจอย่างจริงจังเราก็ยังไม่ตั้งใจเราก็ทาบ้างเล่นบ้างไปเรื่อยๆสมัยหนึ่งเมื่อมีอุบาสกบาสิการุ่นหนุ่มสาวเข้ามาปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลพรพุทธเจ้าก็เข้าไปถามว่าเธอมาปฏิบัติทำทำกรรมาฐานเนี่ยเพื่อต้องการอะไรบางคนก็ต้องการอยากได้ทรัพย์บางคนก็ต้องการแดกได้ลูกดีๆ คนต้องการได้สามีดีๆต้องการได้ภรรยาดีๆต้องการได้ทรัพย์สินสมบัติที่ถูกใจแต่น้อยคนที่จะตอบว่าไม่ต้องการอะไรเลยพุทธิย่าก็จัดว่าการบำเพ็ญภาวนาของเธอยังเป็นไปเพื่อวัตตะคามินีกุศลแต่เราตถาคตตรัสการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปนวิวัฏฏะคามินีกุศล คำว่าวัตถาคามนีกุศลคือกุศลที่เป็นไปเพื่อต้องการในสิ่งที่ตนเองอยากซึ่งจะไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถือไม่พ้นจากการรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะว่าการปรุงแต่งนั้นเป็นต้นกําเนิดของความสืบทอดพบชาติต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่แสนพบชาติก็ต่างต้องเริ่มมาจากการปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย ทีนี้บางคนบอกว่าไม่ต้องการที่จะไปเกิดเองแล้วต้องการที่จะรู้สึกว่าให้มันจบมันสิ้นททีหนึ่งพระุทธองค์ก็บอกเออเธอต้องการวิวัตรคามินีกุศลที่กุศลที่เป็นไปเพื่อกันไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกนี่เป็นตรงกับคาความต้องการของเราตถาคตนั้นเองแต่ละคนนี่เราบังคับกันไม่ได้ว่ามันจะต้องอดับทุกข์ สิ้นภพสิ้นชาเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับสภาพทางปัญญาคนไหนที่มีปัญญาพัฒนามามาก <c oughs> เขาเรียกว่าวุฒิภาวะทางปัญญาแก่กล้าเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความเวียนว่ายใจเกิดเห็นโทษของวัตฏสงสารมามากก็ต้องการพัฒนาวิวัตตาคามินิกุศลแต่คนไหนยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายใจเกิดก็ต้องการที่จะ ได้กุศลเพื่อที่จะได้นั่นได้นี่อีกต่อไปเรื่อยๆได้ลูกที่ดีได้ผัวที่ดีได้สามีที่พนีได้ภรรยาที่ดีได้ญาติพี่น้องที่ดีได้ทรัพย์สมบัติที่ดีได้พบชาติที่ดีเป็นเทวดาอินพรมไปเรายังไม่เห็นโทษการเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้ก็ปัทนาส่วนนั้นไปดังนั้นต้องไปสํารวจเจตนาลมของเราจริงๆว่าเราต้องการอะไรนะเมื่อเราสํารวจเจตนาลมเราได้ชัดเจนแล้วก็ทําไปตามนั้น เราจะได้ทั้งสองอย่างแล้วแล้วแต่ปาารนะจะได้ในส่วนที่เป็นวัตคามนีกุศลก็ได้ส่วนที่เป็นวิวัตคามนีกุศลก็ได้นะทีนี้มาดูว่าหลังจากเราสารวจกายเห็นกายเป็นทีนี้เรามาสารวจว่าเมื่อมีการกระทบตรงนี้ตามให้ทันนะมาสู่จุดที่สองแล้วนะจุดแรกจบไปตรงนั้นคือเรื่อง ความหมายของรูปทำนามธรรมเมื่อกี้นะนะขึ้นอยู่กับมันจะเป็นรูปตัวนั้นทํางานเพื่อกุศลหรืออกุศลเพื่อการดับทุกข์หรือเพื่อการเกิดทุกข์ให้รู้ตรงนั้นต่อมาเมื่อเรามีรูปมีนามมีนามมีรูปแล้วมันก็มีการกระทบตลอดเวลาเปิดตาขึ้นก็เห็นตารูปกระทบตามีเสียงลอยมาเสียงก็กระทบหูทุกเสียง เข้ามาหูจะหมูกได้กลิ่นลิ้นริมรถกายสัมผัสถูกต้องแล้วก็ความคิดมากระทบจิตที่มาระดับกระทบบางว่าเราทันไหมทีนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจุดจออยู่กับวิวัตตาคามีกุศล จ, จ, จริงๆคือจุดจออยู่กับสติสมาธิปัญญาที่เป็นสัมมาปัญญาจริงๆนั้นเราก็จะเห็นการกระทบไม่เพียงสัตว่าตรงนี้ยากขึ้นมานิดนะ คำว่าเพียงแสตว่าคือกระทบแล้วก็จบไม่มีการมาต่อเติมว่าเป็นอะไรเพราะที่แล้วมาที่เราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยเมื่อมีการกระทบแล้วก็ต้องต้อ ง, องไหลเหมือนน้ำที่ตกมาจากฟ้าน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าถ้าไม่มีภาชนะรองรับเนี่ยมันต้องไหลจะไหลนั้นส่วนใหญ่มันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำนะเมื่อไหลแล้วมันก็ต้อง พาเอาสิ่งที่สกปรกคุณเขี่ยวตามมันไปเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างภาชนะขึ้นมาเป็นถังเป็นคู่เป็นถังเป็นอ่างเป็นแอ่ ง, เ ป, องเป็นแท้งเป็นเขื่อนสร้างภาชนะขึ้นมารองรับน้ำมันก็จะไม่ไหลฉันใดก็ดีในการปฏิบัติเมื่อเรามีการกระทบการกระท บ, บ, บเปรบเสมือนเมน็ดฝนเมื่อกระทบแล้วนี่เราจะทาอย่างไรให้สัตว์ว่า กระทบจบกันตรงนั้นมันไม่ไหลก็ต้องมีภาชนะภาชนะตัวนั้นก็ได้แก่อะไรได้แก่ตัวกาหนดรู้สติสมาธิปัญญาเป็นภาชนะรองรับเราก็ได้น้ําฝนใสใสใสแท้งใสอุกใสแองใสอ่างไว้กินตลอดใช้ทุกกรณีไม่ไหลแล้วก็ไม่ขุนด้วยเมื่อไม่ไหลมันก็ไม่ขุนแต่เมื่อมีการไหลก็ต้องมีการขุน จิตของเราที่มันขุนมัวก็เพราะมันไหลนะเพราะมันไปพัดพาเอาอดีตอนาคตเข้ามาเหมือนขยะดินในที่นั้นนั้นที่มันรกุ้งรังมันก็พาให้ไหลจิตของเรามันไหลมันขุนเพราะอะไรขุนเพราะการกระทบนั้นมันไปไหลทะลุเอาอดีตอนาคตไปกับมันมันก็เริ่มขุน เมื่อเราไม่มีพาชนะวันหนึ่งเราต้องการน้าใสบริโภคเนี่ยเราก็จะต้องลงทุนลงแรงขุดบอ่อเจาะบาดาลเพ่จะได้น้ำใสามาเราก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลามากมายนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้รับความขุ่นมัวของจิตจิตขุ่นมัวแล้วก็สร้างเชื้อโลกต่างๆขึ้นมาในตัวมันแต่ว่าจิตของเราจะอยู่สิ่งที่เป็นโลกคือกิเลสไม่ได้ทุกข์ เราก็อยากจะกินน้ําใสแล้ก็ลงทุนนั่นก็คือจะต้องลงมือกันกรองเอาน้ําคือจิตใสใสจิตเดิมเดิมกลับคืนมาเราต้องการเอาน้ําเดิมเดิมกลับคืนมาเพราะน้ําฝนเดิมเดิมใสใสแต่เร า, าด้วยความประมาทไม่มีภาชนะรองรับเมื่อมีการกระทบตาหูจมูกลิ้นกใจกระทบกับรูปเสียงกิ่ลดแล้วเนี่ยไม่มีภาชนะรองรับมันปล่อยให้มันไหลเมื่อยิ่งไหลก็ยิ่งทุกข์เมื่อยิ่งทุกข์ก็ยิ่งลําบากไปเรื่อยๆ แล้วในที่สุดเราหวยหาเมื่อได้ยินได้สดับคําสอนของพระสมมา ส, สัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตต้องนําจิตกลับมาให้มันใสเหมือนเดิมแล้วถึงจะไม่ทุกข์เราก็ลงทุนทำวิปัสนาบ้างทำสมถะบ้างลงทุนให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาบางคนก็เจอน้ำใสบางคนก็ไม่เจอน้ําใสบางคนก็เจอน้ําที่ไม่ใสเท่าไหร่แต่พอกินได้น้ําบ่บางบ่ก็ไม่ใสบ่บางบ่ก็ ใสอย่างงี้นะนีบางคนก็ไม่เหมือนมันไม่ใสพอก็มาต้มมากลั่นอีกทีหนึง่งขบวนการก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อมันปล่อยให้มันไหลแล้วกลัวจะกลับน้ำกลัวจะกลับเอาน้ำที่มันขุน่นม่เป็นน้ำใสเหมือนเดิมนี่ต้องยุ่งยากมากเลยผ่านขบวนการหลายๆอย่างนั่นก็คือการขวนขวายการทำคุณงามความดีของของมนุษย์สโลกเพื่อต้องการน้ำใสกลับคืนมาเท่านั้นเองเป้าหมาย เขาไม่รู้ว่าเป็นน้ําใสน้ําขุนเขารู้ว่าทําให้มันทำไงฮะ ใ, ใจสบายไนงะทำไงให้มันมีความสุขก็นั้นนะนะนี่คือการทําหน้าที่ของอายตนะเมื่อมีการจัดทบแล้วทําอย่างไรที่จิตใจของเราจะไม่ลื่นไหลปรุงแต่งไปกับอดีตอนาคตให้พยายามเพราะเรารู้ว่าเมื่อมันไหลไปอย่างไม่มีการเอากลับคืนมาได้ทันมันยาก แสนยากมากที่จะกลับทําเอาน้ําที่ขุ่นเขี้ยวมาให้เป็นน้ําใสอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดต้นเหตุด้วยการไม่ต้องให้มันไหลเลยสร้างพายชนะขึ้นมารองรับให้มากสร้างรางน้ําคือมักแ8ดขึ้นมากมักแ8นี่เหมือนกับรางน้ำนะส่งทอดน้ําใสเนี่ยลงมาสู่ตุมนะเพราะฉะนั้นสร้างรางน้ําขึ้นมาสร้างแท้งขึ้นมา รับถ้าถ้าเราขี้เกียจสร้างรางน้ําก็ไปไปรองน้ําเอาที่ใดที่หนึ่งได้นิดเดียวนะฝนตกทั้งวันก็น้ํายังไม่เต็มแทงเลยเพราะว่าน้ํามันนิดเดียวแต่พอมันสร้างรางน้ํามันรวมเอาน้ําทุกหยดทุกหยาดไปที่เดียวกันฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างมัจคือตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นมัจเป็นรางน้ําอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ อ, อย่าไป อย่ไปทํามากเรารู้ว่าเรายังเป็นผูุ้ชนเนี่ยมันทนไม่ได้บางครั้งทนต่อการยั่วยุไม่ได้ทนต่อการหลอกล่อไม่ได้เนี่ยมันก็เผลอไปแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนอบรมสติปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็จะเผลอน้อยหรือจะรู้เท่าทันไม่ว่าคนดีมาหลอกไม่ว่าคนร้ายมาหลอกแล้วก็เผลอตามเข้าไปน้อยหน่อยหรือไม่บ่อยครั้งเหมือนเมื่อก่อน เรารู้เท่าทันแล้วก็ทนได้และคนหลอกหรื อ, อสิ่งภายนอกหลอกนมันก็ยังพอรู้ทันกันถ้าคนมีปัญญามีการศึกษามีประสบการณ์แต่สิ่งที่ทนได้ยากมากแล้วก็รอดได้ยากมากคืออารมณ์ของเราเองหลอกเราเองนะตันหาที่เขามาหลอกเราเองทนได้ยากมากเราก็ต้องรู้เท่าทันมากขึ้น เพาะนั้นการจเจริญสติความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะต้องมีความถี่ขึ้นเพื่อให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันการหลอกของอารมณ์ของตัณหาอุปาทานมันหลอกเราบ่อยหลอกเราถีคนนึงยังมาหลอกเราเดือนละครั้งสองครั้งหรือปีละหนสองหนแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันหลอกเราทุกเวลานาทีเราจะทนต่อการหลอกล่อมันได้แค่ไหน ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนเนี่ยกระล้อยทั้งร้อยก็โดนเท่งนั้นแหละแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนก็ถูกหลอกน้อยๆลดการหลอกหลอนมันน้อยลงไปเรื่อยๆอ่าดังนั้นในจุดที่สองต้องมารู้เท่าทันการกระทบเรืผัสสะว่าเรามีสติรู้เท่าทันไหมเวลามันกระทบเมื่อมันกระทบถ้ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันก็เกิดการ ดอกหลอนความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นเรียกว่านามโลกความไม่สบายทางจิตทางทางกายก็เกิดขึ้นเรียกว่ารูปโรคนี่ตัวต่อมาชุดแรกที่จบไปไม่เคยรูปธรรมนามธรรมนะมันทําหน้าที่อะไรบ้างรูปโรคนามโลกเกิดขึ้นอย่างไรก็เกิดขึ้นจากเมื่อการกระทบแล้วมีสติหรือขาดสติเมื่อขาสติรูปโรคนามโลกก็ปรากฏเมื่อมีสติ รูปโรกนาโลกก็ถูกบําบัดหายไปรูปโรกนําโลกรูปทำรูปทำนามธรรมรูปโลกน้ําโลกทีนี้เมื่อเรารู้สมุทฐานของของทุกข์คือโลกที่เกิดกับกายกับใจก็เกิดจากการกระทบสัมผัสเมื่อการกระทบสัมผัสได้ถูกบําบัดได้ด้วยสติปัญญารูปโลกนําโลกก็ถูกบําบัดแต่ถ้าหากว่าสติปัญญามาไม่ทัน ลูกโลกน้ำโลกก็ปรากฏอยู่อย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของมันเอาต่อมาจุดต่อมาว่าลูกโลกน้าโลกเกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสของอารมณ์ต่อมาเราจะดูตรงไหนเมื่อเราไม่สามารถที่จะทนทานต่อการลื่นไหลของอารมณ์ได้ 100% เซนี่ยถ้ากระทบแล้วขัดสติเมื่ อ, อไหร่มันมีการปรุงแต่ง สติเมื่อไรมีการปรุงแต่งได้สติมันไม่ปรุงแต่งสองอย่างเนี่ยถ้าสติยังไม่สมบูรณ์ถึง25ปซขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องลื่นไหลปรุงแต่งเรื่อยไปเมื่อมันจำเป็นต้องมีการลื่นไหลปรุงแต่งจะทําังไงขั้นที่สองที่จะแก้เพราะเราไม่ไม่ทันตัวสัตว์ว่ารู้เสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่รู้เท่าทันที่สัตว์รู้จริงๆนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระรหันธ์เท่านั้นแต่ถ้าหากผู้ที่ยังไม่เข้าไปสัมผัสระดับนี้ก็ต้อง กระทบเราต้องลื่นไหลเลยไปจะลื่นไหลในทางดีทางร้ายเท่านั้นแหละนั้นน่ะเราจะต้องมีกระบวนการจัดการสำรองขึ้นมากำหนดรู้ด้วยอะไรเมื่อใช้แผนที่สองใช้แผนหนึ่งเราไม่ทัน่ะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกระใจกระทบรูปเสียงกีรติสัมผัสเราไม่ทันมันต้องลื่นไหละเราจะต้องใช้แผนสองมารองรับก็คือต้องกำหนดรู้สิ่งที่มันลื่นไหลจริงๆว่าเป็นอะไร เป็นขบวนการของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นเราแต่เมื่อไรเราไปเห็นการลื่นไหลาการปรุงแต่งของจิตว่าเป็นเราทุกก็ต้องตามมาทันอีกนะเราพลาดละมามาจุดที่สองถ้าเราพลาดเข้าอีกทุกก็ต้องตามเราทันอีกแต่ถ้าเราพลาดจุดที่หนึ่งกำหนดรู้ดับไม่ทันมันลื่นไหลต้องเอาแผนที่สองมาใช้กําหนดไอ้ตัวลื่นไหลความคิดนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรา แต่มาถุงถุงนี้เราก็ไม่มีสติความพิจารณาเป็นนันินจังธรรมรตาก็ไปสําคัญด้วเป็นเราอีกต้องใช้แผนที่สามแล้วทไงต้องมีมีแผนรองรับไปจัดการกับยังไงตัวลื่นไหลตัวปรุงแต่งเนี่ยเพราะมันเป็นเจ้ากี้เจ้าการชีวิตของเราเหลือเกินนี่อันนั้นก็คือเข้าไปตราหน้ามันเลยว่าอันนี้มันมันมันเป็นมันเป็นสมมุตินะมันไม่ของจริงนะไอความคิดที่เราคิดตรงเนี้ย มันเป็นสมมุตินะนี่ทีนี้ไอ้ขบวนการตรงที่สองเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าใครตามทันตรงนี้เนี่ยจะต้องมีอารมณ์วิปั ส, สนาแล้ววิปั ส, สนาต้องเกิดขึ้นขั้นที่หนึ่งที่สองนี่หมายความว่าผู้ที่ได้อารมณ์วิปั ส, สนาเท่านั้นถึงจะตามทันขั้นที่หนึ่งสองถ้าหลุดจากนั้นไปเนี่ยมันก็จะไปสู่อารมณ์สมถะคือบังคับลูกเดียวบังคับให้ หยุดลูกเดียวนั่นก็เป็นสมถะสมถะคือการบังคับบังคับความคิดบังคับอารมณ์ให้มันหยุดการทํางานแผนที่สามการบังคับละบังคับไม่อยู่ตรงนี้ก็หมดปัญญาแล้วทีนี้รับทุกอย่างเดียวนะแต่บังคับมีหลายลักษณะนะบังคับด้วยอะไรบางบังคับด้วยกรสินสิบบังคับด้วยอนุสติ10บบังคับด้วยอสุภะสิบเนต้องใช้ กรรมาฐาน4ีสกองเขาไปบังคับแล้วแต่ถ้าเป็นขบวนการของวิปัสนาคือพิจารณาสิ่งที่ลื่นไหลปรุงแต่งนี้ให้เป็น น, นิจังทุขังรัตตารื่นไปนีไม่ต้องบังคับใช้ปัญญาเพราะนั้นตัวสมถะทำหน้าที่ตรงที่เรายังไม่เกิดปัญญาเท่านั้นเมื่อใดมันเกิดปัญญาไม่ต้องใช้แล้วสมถะมาใช้ตัวอารมณ์วิปัสนานิจังทุขังรัตตา เมื่อใช้อันนี้จังทุกขังหน้าตาจนชมนิชนานาญแล้วก็มามันก็เลื่อนขึ้นมาขั้นตอนที่หนึ่งคือกระทบสัตว์่ากระทบกระทบรู้กําหนดรู้แล้วก็จบไม่ลื่นไหลนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อมีการกระทบแต่ว่าไม่มีรองรับไม่ทันฝนตกไปตั้งนานแล้วเอาน้ําไม่ทันควจะหาภาชนะจือก็ฝนใกล้จะหยุดแล้วก็ยังดียังได้น้ำฝนอยู่ นั่นก็คือหมายความว่ามันกระทบเรามันก็ไหลไปเรื่อยๆแต่เรารู้ว่ า, าการลื่นไหลทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเราก็รีบหาสติสัมยามาลองรับนะบางคนก็ลองน้ำฝนได้มากบางคนลองได้น้อยบางคนภาชนะใหญ่บางคนภาชนะเล็กก็คือขั้นตอนต ร, ตรงนี้เองขั้นตอนมาลองรับอารมณ์ที่มันกระทบแล้วมันปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยนันเองตามทันไหมขั้นตอนที่หนึ่ง ทบทวนอีกทีนะอันตอนที่หนึ่งให้รู้ว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปกับนามนะรูปกับนามนี้ถ้ามันทําหน้าที่ของมันเรียกว่ารูปทมนามทมใช่ั้ยเมื่อทําหน้าที่ภายนอกคือรูปนามทําหน้าที่ที่มีสติเข้ามารูปนามตรงนี้ก็เป็นที่เกิด สติเกิดสมาธิปัญญากระแสะของทุกระดับแต่เมื่อใดเราสติสมาธิปัญญายังไม่เข้มแข็งเราอนุญาตให้มันเกิดนา ม, มารูปสร้างภาพรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในใจก็เรียกว่านามธรรมเมื่อรูปธรรมนามธรรมมันทำหน้าที่ทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะมีการกระทบใช่ไหมอายตนะทั้งหเข้ามา เมื่อมีการกระทบปั๊บเนี่ยสติปัญญามาทันการกระทบนั้นก็ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษไม่ก่อความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าสติปัญญามาไม่ทันเราก็จะต้องไปทําไงพิจารณาสิ่งที่มันเกิดมานั้นให้เป็นขบวนการของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ อัตราตัวตนไม่ใช่เราต้องตามตรงนั้นให้ทันนะฮรือว่าถ้าตามไม่ทันก็เกิดรูปโรกนาำโรคทันทีใช่ไหมแต่เมื่อมันเกิดรูปโรคนำโรกยังมีโอกาสแก้ไขเอาทันอยู่เราพิจารณาให้เป็นนิจจังทุกขังนาัตตาแต่เมื่อพิจารณาทุกขังนัตตาแล้วก็ทําให้ชํานาญนก็กลับมาเบื้องต้นใหม่คือกระทบสัมผัสปั๊บจบแต่ในเมื่อพิจารณาเป็นนิจจังทุกขังนาตาแล้วมันก็ ไม่คมชัดตัดไม่ขาดลื่นไหลต่อไปอีกทำไ ง, บ, งบังคับใช่ไหมกดข่มแล้วทีนี้นนั้นคน 80-90% ซมีชีวิตโดยการขมจิตขมใจขมอารมณ์เพราะอะไรอารมณ์มิปรสนานยังไม่เข้มก็ใช้กดขม่มนั่นก็คือขั้นตอนใช้คำว่าขันติความอดทนอดกลั่น เมือ่ออดกลอดกั้นมากๆถ้ายังไม่เกิดปัญญาอีกความอดทนอดกั้นนั้นก็เป็นพิษภัยทําให้เกิดความกดดันเคร่งเครียดกลงิงขึ้นมาชีวิตก็มีปัญหาแล้วทีนี้นัน ม, มันจะไปเป็นขั้นตอนนั้นมันผ่านขั้นตอนทั้งหลายขั้นตอ น, น, นแต่ละเอาไม่ทันมันไงเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สดดับไไม่ไ้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเราก็าใช้สมถะความจริงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีสมถะอยู่แล้วระดับหนึ่ง เราใช้าความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นสมรภะเป็นตบะแต่ความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันเป็นาการแก้ปัญหาขั้นปฐมภูมิเป็น m ายม s o u ซอสเท่านั้นเพื่อที่จะเตรียมการไปสู่ขั้นตอนต่อไปถ้าไอ้ตัวไอ้ปมพยาบาลปฐมภูมิตัวนี้ไม่ถูกพัฒนาให้เป็นปัญญาเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเราเช่นเราเก็บกดอารมณ์มากๆกไปยังไงเขา ทําทให้เราพอใจไม่พอไม่พอใจมากๆากแล้วเก็บกดเพราะเราไม่มีทางออกเพราะเราไม่เคยปฏิบัติวิปั ส, สนามา ก, ก่อนก็ไม่มีที่ระบายเก็บกดไว้มากเข้ามากเข้าก็เป็นโลกแล้วทีนี้โลกปวดหัวโลกไมเกรนโลกหัวใจโลกนอนไม่หลับคิดมากโลกประสาทโลกวิตกกังวลออกมาทางหูทางตาแล้วทีนี้ออกมาเป็นบุคลิกออกมาเป็นกรรมนี่เห็นไหมต้องเข้าไป ต้องมีทางเดียวก็ต้องมาศึกษานั้นเราก็ขอนขวายอย่างที่เราเห็นการทําบุญให้ทานรักษาศีลื่อเป็นฐานให้มาสู่การเจริญภาวนาและขั้นต้นวิปัสสนายังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดก็ใช้สมถะกดข่มไปก็ยังดีกว่าการกดข่มที่ยังไม่มีตัวาทานโดยศีลอรงรับเลยนะเพราะนั้นก็ใช้ตะบะคือขันติความบุตรโนดกัน เพในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้ปัญญาไม่ทันก็ใช้ความอดทนอดกั้นแทนไปก่อนแต่ให้พึงรู้ว่าใช้ความอดทนอดกั้นมากๆใช้การเก็บกดมากๆนั้นมันเป็นโทษนะมันเป็นโทษต้องระบายต้องหาทางออกคือการใช้วิปัสสนาดังนั้นจึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยที่จะต้องเจริญวิปัสสนาให้เป็นนิสัยเจริญสติให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันเอาไวา้เพื่อระบายความ ทุกที่มันเกิดขึ้นความลื่นไหลที่มันเกิดขึ้นแล้วเราตาำไม่ทันเนี่ยถ้ามันได้บ้างมันแก้ไขได้บ้างให้ทําใจได้บ้างแต่สําหรับคนที่มีศรัทธาและมีปัญญาที่ต้องการให้มันเบาบางขึ้นเรื่อยๆก็ปฏิบัติเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะด้วยความเข้าใ จ, จเฉรินี้ปัิศนาเข้มข้นก็นเลยตามทันพิจารณาความคิดการปรุงแต่งทั้งหมดไปนิดจังทุกขังอนัตตาได้มากวันหนึ่งได้หลายเปอร์เซ็นต์ชีวิตก็จะบางเบา จิตใจก็เบาสบายขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นธรรมนิยามนะมันเป็นกฎเข้ามาอย่างนั้นเลยเราจะรู้จักไม่รู้จักก็ตามมันจะต้องเดินทางไปอย่างนั้นอ่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านบอกค้นพบกฎเกณฑ์อันนี้ท่านมาบอกเราเราถึงโชคดีไม่งั้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับชาติไม่ท่วนนะนะนี่เราเกิดมาใน ภาวะนี้ในภูมินี้ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าในโชคดีมหาศาลเลยที่เราจะต้องไม่ทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่ว่าเราจะมีศรัทธาแลมีปัญญาแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเงื่อนไขาสามประการที่เคยกล่าวให้ฟังทุกวันก็จะต้องพบกัลยาณมิตรต้องพบกัลยาณสหายต้องพบสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะช่วยให้การศึกษาการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะ อา้าวมาถึงไหนแล้วอารมณ์รูปนามนามรูปรูปธรรมนามธรรมรูปโรคนามโรคอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตามให้ทันนะทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าจะบอกว่าให้มาแค่อยู่แค่รูปนามเนี่ยมันมันไม่ทันนะสติระที่เราทำํำห่างๆไม่ทันแนะ่อย่างน้อยหลุดไปอยู่นูน่นไปอยู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังทันอยู่นะยังทันอยู่ ทีนี้เมื่อเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้เรารู้จักแยกส่วนออกว่าความลื่นไหลเนี่ยมันมีสองลักษณะความลื่นไหลเนี่ยมีสองลักษณะเหมือนน้ำที่มันตกลงมาถ้าไม่มีภาชนะรองรับเนี่ยบางแห่ง มันก็เป็นน้าใสบางแห่งมันก็เป็นน้ำขุนถ้าน้ำมันไปตกล่องที่สะอาดน้ำก็ยังใสอยู่มันลื่นไหลก็จริงแต่มันก็ยังใสอยู่น้ำที่ไปตกล่องที่ไม่สะอาดน้ำมันก็ขุนดังนั้นในตัวไหลนั้นจึงมีสองลักษณะลักษณะที่มันขุนก็เรียกว่าลักษณะที่เป็นสมมุติลักษณะที่มันใสแล้วเรียกว่าลักษณะที่เป็นปรมาณแต่ในลักษณะที่เป็น สมมุติเนี่ยเราจะเห็นมันได้อย่างไรนะในสมมุติที่ออกมาเป็นนา ม, มารูปแล้วนะมันไม่ใช่คงอยู่ในรูปนามนะออกมาเป็นความคิดแล้วแต่ในความคิดบางครั้งเป็นความคิดดีบางครั้งเป็นความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดีเราเรียกว่าความคิดเป็นสมมติในทางไม่ดีความคิดที่ดีเป็นสมมุติในทางดีเป็นกุศลอกุศลนะเป็นบุญเป็นบาปเริ่มมีคู่ขึ้นมาตรงนั้น มีพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกข์ก็อยู่ในขั้นสมมติตรงแยกต้องนั้นรวบรวตรงนั้นให้เป็นหมวดหมู่ออกมาเป็นสมมติการปวดแข้งปวดขานี่ถ้าเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันว่าเราปวดอยู่มันก็ยังเป็นสมมุติว่าเราปวดอยู่แต่ถ้าเรามีการวิปัสสนาจนเป็นนิสัยแล้วเราก็เห็นว่าการเจ็บการปวดนี้เป็นอาการของปรมัตา์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นสมมติเมื่อไหร่มันเป็นอัตราตัวตนเป็นของเราแต่เมื่อไหร่มัน มันรู้สักแต่ว่ารู้ปวดสักแต่วปวดไม่ใช่เราปวดปวดก็คืออาการชนิดหนึ่งของการทํางานของอนิจจังทุกขังอนัตตามันภาวะประมัตก์ก็ปรากฏทันทีนี้สําหรับผู้ที่เจริญสติได้เกิดสมมาสติสมมาปัญญาแล้วก็จะเห็น <c oughs> อาการทุกขังอนิจจังนัตตาปรากฏแทนสมมุติก็เล่นงานเราไม่ได้เราก็จะไม่ยึดติดในตัวนั้นมาเป็นสองกระแสกระแสสมมุติกระแสปรมัตก์ วั น, นั้นต้องแยกตัวนี้ให้ออกเหมือนกะทิกับน้ำมันเคยกล่าวบ่อยๆเมื่อมันเป็นกะทิอยู่มันสมมุติถูกสมมุติว่าเป็นกะทิอยู่แต่ตัวกะทิตัวนี้จะทําไงใ ห, ให้มันไม่เสียละ่ะกะทินี้เก็บไม่เกินอาทิตย์เนี่ยต้องเน่าแล้วใช่ไหมถ้าไม่เก็บใส่ตู้เย็นนะจะทําไงที่จะไม่ให้มันเน่าก็ต้องมาแปลสภาพกะทิให้เป็นน้ํามันสมมุติตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันยึดจิต ย, ยึดใจเรานานๆ มันก็ตกไปอยู่อำนาจของนิจังทุกขณาตตาทีนี้จะทํายังไงแปลสภาพตัวสมมติตัวนี้ความคิดอัตตาตัวนี้ให้มันเป็นอนัตตาใหเ้เป็นวิธรรมให้ได้ก็ต้องเอาตัวปัญญาเข้าไปกันกรองไปเขี่ยวเหมือนกับเราติดไฟเขี่ยวกับที่ให้เป็นน้ํามันนั่นก็คือทําความเพียรเพราะฉะนั้นทําความเพียรการยกมือสร้างจังหวะการทําสมาธิการเคลื่อนไหวนี่การเขี่ยว เขี่ยวความรู้สึกที่มันมันนึกมันคิดเนี่ยฮะเป็นความรู้สึกดูให้ได้เมื่อไใดเราแปลความคิดให้เป็นความรู้สึกตัวได้นั้นก็หมายความว่าเราแปลกะทิให้เป็นน้ํามันได้แต่เมื่อใดกะทิมันยังเป็นกะทิอยู่เดินจงกรมสร้างจังหวะเท่าไหร่มันก็ยังคิดปรุงแต่งอันนั้นหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเรามีกะทิเป็นปี๊บแต่ว่าเราใช้ไฟเทียนเล่มเดียวไปหุงไปต้มไปเขี่ยวมันเนะ่ยมันจะเดือดเป็นไหม ความคิดเป็นกระตักกระตักแต่ว่ากำหนดรู้นิดเดียวเนี่ยมันแปลไม่ได้ความคิดมาเป็นข บ, บวนเป็นภูเขาเหล่ากาแต่กำหนดรู้เดี๋ยวเดียวมันเป็นวิปัสนาไม่ได้นั่นจะเห็นว่ามันมีข บ, บวนการขั้นตอนชัดเจนมาเป็นวิทยาศาสตร์ของรู้ของพุทธเจ้าแต่ว่าเราได้คํานึงคํานวณเราได้พิจิตรพิจารณาไข้ ค, ควเพียงพอหรือไม่ที่จะเห็นมันนะเพราะฉะนั้นในตัวสมมุติคือตัว คิดที่เราคิดขึ้นมาแล้วมันหยุดไม่ได้สมมตินะสมมุติเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่าตัวอัตตาตัวใหม่เหมือนกับน้ําที่ตกลงมาตอนแรกมันใสๆมันเป็นปรมาณสมมตินะพอมันไปกระทบพื้นมันก็กลายเป็นน้ําจากใสๆเป็นน้ําอะไรน้ําขุ่นน้าเขียวน้ําแกงน้ําเฟซี่โคลร์น่าน้ำกาแฟน้ําอะไรก็ว่ากันไปสารลพัดน้ํำเราทีนี้แล้วแต่จะสมมุติมันไปมันไปผสมกับอะไรล่ะ ผสมกับโอวันตินก็เป็นน้ำโอวันตินหาสภาพน้ำฝนไม่เจอแล้วผสมกับน้ำกาแฟก็ไปเป็นกาแฟส้มนุกไปผสมในแกงก็กลายเป็นน้ำแกงไปผสมในตัวออกมาก็เป็นน้ำอะไรนี่มันเป็นน้ำเยี่ยวไปแล้วเห็นไหมมันเป็นสารพัดออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสมมุติแล้วทีนี้มันแล้วแต่มันปผสมอะไรแต่ความคิดซื่อๆใสๆของเราเนี่ยถ้าสมมุติเข้าไปมันเป็นเรื่องยุ่งเลยนะ แต่มันก็มีสองลักษณะสมมุติดีถ้ามันเป็นน้ำกาแฟแล้วก็ชอบใช่ไหมน้ำวนติ่นชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ขอโทษถ้ามันเป็นน้ำปะสะัสสาวะแล้วเราก็เบือนหน้าหนีได้ใช่ไหม <c oughs> เหมือนกันะในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยบางความคิดเราก็ชอบบางความคิดเราก็เสพ บ, บางความคิดเราก็ไม่ชอบถ้าใครมายุให้เราคิดในทางไม่ดีเนี่ยมาว่าเราเนี่ยเราก็คิดในทางไม่ดีเราก็ไม่ชอบแล้วไม่ชอบความคิดอนั้นเบือนหน้าหนีแล้วนะ ใครมาชมเราหน่อยเราเหมือนเราได้กินน้ําำนะส้มขันสดๆนะชื่นใจอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีอยู่ยนในชีวิตประจำวันแต่เราตามรู้มันไม่ทันอย่างเงี้ยว่าอันนี้มันเป็นสมมุตินะไม่ใช่ตัวเรานะทีนี้เราจะทํายังไงน้ําที่มันแปลเปลี่ยนเป็นสีเป็นรสไปแล้วเนี่ยเราจะทํามาใช้ได้อย่างสากลไหมนํามาใช้ได้ทุกเรื่องไหมจะเอากาแฟไปซักผ้าเนี่ยจะได้ไหมะจะเอาน้ําโคกไปใส่หม้อแกงเนี่ย มันเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะการแล้วทีนี้มันไม่สากลแล้วอแต่ว่าเราต้องกินต้องอาบต้องซักผ้าเราจะเอาน้ําที่มันแปลเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแม้แต่เอาน้ําขุ่นมาซักผ้าเลยก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าขุ่นมากก็ยิ่งไม่เอาเลยถ้าขุ่นน้อยๆก็โอเคนะทีนี้เราต้องการน้าําใสๆเป็นน้ําสากลเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องใช่ไหมแต่้น้ําที่ถูกสมมุติใจของเราเหมือนกันถ้าใจมันไปเป็นสมมติเสร็จแล้วเนี่ยมันได้เฉพาะเรื่อง นะแต่เฉพาะฉันเป็นพอ่อสมมาว่าฉันเป็นเพื่อนไม่ได้นะลูกมาเรียกว่าเพื่อนอย่างนี้เราก็ไม่พอใจอีกแล้วใช่ไหมมันได้เฉพาะเรื่องนั้นแหละถ้าเราเป็นแม่ลูกมาเรียกว่าพี่อย่างเงี้ยพอใจไหมไม่พอใจอีกล้มันได้เฉพาะเรื่องแต่ถ้าเราไปรู้จักปรามาจิตเนี่ยเขาสมมุติให้เราเป็นอะไรเนี่ยเราทําหน้าที่สมมุติเฉยๆใครจะมาเรียกว่าพ่อว่าเพื่อนไม่ถูกทั้งนั้นน่ะเพราะเรามันเป็นสมมติอันนั้นน่ะแต่เราดูจริงๆคืออะไร ตัวเราจริงๆคืออะไรอย่าลืมเบื้องต้นเบื้องต้นที่สุดตัวเราจริงคือใครรูปกำนามเท่านั้นรูปกำนามท่าสี่ขันห้าเท่านั้นมีใครมาด่าเขาว่านายท่าสี่ขันห้าไม่ดีเนี่ยเราโกรธไหมไม่โกรธเพราะมันไม่ใช่สมมตินะแต่นายแก้วนายขาวนายดำนายแดงไม่ดีเป็นโจรเป็นคนพาลเงี่ยโอ้โหขึ้นปุ๊ บ, บ, บเลยใช่ไหม ใครมาด่ว่าเราในรูปนามเป็นนั้นเลยเราก็ยิ้มเฉยเลยใช่ไหมเห็นไหมปรมัดมันไม่ได้ทำให้เราเอารมณ์เปลี่ยนมันจะคงที่นี่คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาอยู่เสมอเสมอถ้าเราไม่รู้หลักอันนี้แล้วเนี่ยโอโ้โหมันความทุกขนะ์เล่นงานเรามหาศาลเลยเมื่อเราไปรู้จักแยกว่าความคิดที่มันปรุงแต่งนี่เป็นสมมตินะความคิดที่ไม่ปรุงแต่งนี่เป็นประมัดนะเห็นตรงนี้ให้ชัด และสมมุติปรมาทูตโครงสร้างมาจากอะไรโครงสร้างสมมุติคืออะไรโครงสร้างของสมมุติปรมัตูตก็คือขันห้าใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยต้องกําเนิดออกมาจาก ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้เหมือนกับสมมุติว่านาฬิกาบอกนาทีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาจากเคราะห์ไม่ชินที่มันทําให้ทิกกก๊ก็แ ก, ก๊กอยู่ตรงที่แค่นี้ เฟืองมันหมุนอยู่แค่นี้แต่ว่ามันหมุนเข็มบอกเวลาบอกเดือนบอกปีไปเรื่อยๆบอกสมุติไปเรื่อยๆแต่ปรมาจารย์คือทำงานอยู่แค่นี้ปรมัตา์คือตัวจักอย่างนี้อือคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้จะทําไงก็ใกล้เข้ามาศึกษาใกล้เข้ามารูปซึ่งวันก่อนแล้วว่ารูปมีเท่าไหร่บอกไปแล้วใช่ไหมสัญญามีเท่าไหร่เวทนามีเท่าไหร่สังขาร ม, มีเท่าไหร่วิญญาณมีเท่าไหร่เรียนไปวันก่อนแล้วต้องไม่ลืมจุดนั้น รูปนามขันห้าถ้าขันห้านั้นประกอบด้วยวิชาก็จะเป็นขันห้าของอะไรของสมมุติถ้ามีวิชามาทันขันห้านั้นก็จะกลายเป็นของปรามัดไปเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นของสมมติมันจะตกอยู่ภายใต้いい Utah, อำนาจของอะไร <says. S 1> อนันนี้จังทุกขังอนัตตาอตตาตัวตนเกิดขึ้น ถ้าขันห้านั้นประกอบด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เป็นขันห้าเฉยๆเหลือขันสามขันห้าถ้ารู้เท่าทันมันจะเหลือขันสามคืออะไรศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเห็นไหมแทนที่จะเป็นรูปประคันเวทนาสัญญาสังขันขันกิเลสสังขันไม่เป็นแล้วทีนี้กลายเป็นขันสามคิดอะไรออกมาก็เป็นศีลทําอะไรออกมาก็เป็นศีลพูดอะไรก็มาเป็นศีลนึกอะไรก็มาเป็นสมาธิ คิดอะไรก็เป็นสมาธิทําอะไรก็เป็นพูดอะไรคิดอะไรทําเป็นสมาธิหมดจะพูดจะทําจะคิดอะไรออกล้วนแต่ใช้สติล้วนแต่ใช้ปัญญาหมดนี่เป็นขันห้าหรือขันสามแล้วทีนี้ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันตลอดเวลาและขันสามนี่ก็ทําให้ทุกมันดับนี่มารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นในตัวกําหนดรู้สึกตัวท่านเองมันเป็นถ้ามันสมบูรณ์จริงจริงบรรเป็นทั้งอะไร ทั้งศีลสมผัิปัญญาอยู่ในตัวเสร็จเลยแต่ทีนี้เรายังไม่มั่นใจเพราะปัญญามันยังไม่เกิดขึ้นมารองรับยังไงเราก็ทําด้วยความีเก้กกังๆแรงๆเลยๆไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมารองรับเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมารองรับเมื่อไหร่นี้เราจะเจริญสติอย่างมั่นคงและสมบูรณ์มากเพราะเราเห็นประโยชน์งไงเราเห็นประโยชน์ว่ามันถ้าอยู่กับสติสมัิปัญญานี้มันมีความสุขความประณีตความละเอียดอ่อนความสุขุมเยือกเย็นจริงๆ เราก็จะทําอย่างไม่ไม่กลัวแล้วทีนี้ทำอย่างไม่ไม่ต้องใช้ความเพียรทําอย่างไม่ต้องไม่ต้องยากไม่ต้องยากอะ่ะมันพยายามให้มันเป็นชีวิตเลยทีเดียวการยืนการเดินการนั่งนอนหยิบหยับจับเวยและลึกถึงสติอยู่เสมอและลึกถึงสมาธิอยู่เสมอ ล, ลึกถึงปัญญาเสมอการอยู่ก็จะเบานะที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายนั่งประชุมกันเป็นพันๆ จนพระเจ้าชาติจะดูผ่านเข้าไปตกใจว่าคนอยู่กันเป็นพันไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงอันนั้นถ้าอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่ด้วยขันห้าอยู่ด้วยขันเท่าไหร่อยู่ด้วยขันสามมันถึงไม่ดังไงเออถ้าอยู่ขันห้ามันดังก็แก๊กก็แ ก, ก, ก๊กออกมาฝึกเราจะฝึกตนเองได้แล้วทีเนี้พอศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดตรงนี้แหละเราฝึกตนเองให้มีมีทำได้แล้วเมื่อก่อนมัน มันมันขันสามเหมือนกันมันเป็นกิเลสขัน อ, อุปทานขัน อ, อวิชชาขันอเงี้ยมันไม่ใช่เป็นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันเป็นกิเลสขันมันก็เริ่มมีความสุขและทีนี้เห็นชีวิตว่าโอ้โอชีวิตของเราเนี่มันช่างดีขนาดนี้ทั้งวิเศษขนาดนี้ทถ้าเราไปเกิดเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนพาลเป็นคนไม่มีศรัทธาเราจะไม่มาทางนี้เลยนะเนี่ยเริ่มไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหม เคยมีนายกคนไหนมานั่งปฏิบัติธรรมแบบเราไม่เคยมีรัฐมนตรีมีนักการเมืองคนไหนมานั่งปฏิบัติไม่มีพวกนี้เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมหรือเป็นยักษ์เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ได้นะแต่พวกเราทําได้เพราะอะไเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินพรมยมยักษ์เป็นเปรตอสุรกายมาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์เรารู้จักสุขเป็นสุขรู้จักทุกข์เป็นทุกข์รู้จักหาทางออกจากทุกข์ มนกกาดเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดยากไงทั้งบ้านทั้งเมืองที่มาปฏิบัติมีมนุษย์อยู่แค่นี้ใช่ไหมนอกนั้นเป็นอะไรเป็นเทวดาอินพร ม, มยมยกักษ์เปรตอสุรกายดได้ชานเ ย, ย, ยอะแยะไปหมดมาปฏิบัติยากดังนั้นเรีว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่ว่าเกิดมาจากท้องแม่นะเกิดจากท้องแม่ไม่ยากอะไรต้องคุมกันไวขนาดคุมก็ว่ายังไม่ค่อยอยู่เลยอะ <c oughs> แต่เกิดจิตเกิดใจเกิดสํานึกเกิดมโนธรรมที่จะดับทุกข์นี่เลยเกิดปเป็นมนุษย์แหละเออตัวนี้ต่างหากความเป็นมนุษย์ความมนุษย์แปลว่าคนที่ฝักใยที่จะพัฒนาให้จิตให้สูงขึ้นตามลําดับเรียกว่ามนุษย์นะเรื่องมนุษย์มณะแปลว่าใจใช่ไหมอุศะแปลว่าสูงบวกกันเข้าเป็นมนุษย์แปลว่าผู้ทําใจให้สูงขึ้นตามลําดับเรียกว่ามนุษย์นะันั้นเรา เห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของยักษ์คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่การที่ก่อนถ้าหากยักษ์เป็นมนุษย์ยังไม่เข้าเส้นทางของมนุษย์เราเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นคนใช่ไหมคนนั้นคนนี้คนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วแต่อันไหนามาประกอบเมื่อโทรศัมาประกอบคนก็ไปเกิดเป็นอะไรเป็นยกักษ์ถ้าโทารศัพทแรงมากๆล ง, าลงมือลงมือ ก็เป็นสัตว์นรกถ้าความโลภเขามาประกอบเราไปเกิดเป็นอะไรเป็นเปรตถ้าความโลงเขามาสิงสูประกอบเข้าใจกับเราเราก็เกิดเป็นเดรัจฉานเห็นไหม่ถ้าฮีริโอตปาสินห้าธรรมห้ามาประกอบกระผิดกับใจเราเราไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเทวดาเห็นรู้จักคมจิตขบใจเป็นทำจิตใจให้เย็นเป็นเป็นบางพักบางข้างบังคราว ถ้ารู้จักทําสมถะเป็นเราก็ไปเกิดเป็นพระพรหม่มาทําจิตทำใจให้สบายแล้วฉลาดบริหารกิจการงานบ้านเมืองให้เป็นไปได้ด้วยเราก็เกิดเป็นพระอินทร์อนะ่าพระอินทร์นี้ทําหน้าที่บริหารนะนอกจากจิดเป็นสมาธิมีปัญญาแล้วแต่ยังดับทุกข์ไม่ได้ดับกระแสไม่ได้ก็เป็นพระอินทร์อนะ่เห็นไหมทีนี้ใครฝักใฝ่ในการที่จะมารู้จักตัวเองเนี่ย มารู้จักใจกกจากกายจากรูปจากนามของเอกลำดับที่เราทํากันอยู่เขาเรียกว่ามาเกิดเป็นพระอริยะแต่ยังไม่ได้อะไรเขาเรียกาอาริยมรรคเป็นอริยมรรคไปก่อนเดินทางสู่ความประเสริฐพ้นจากภพภูมิเหล่านั้นขึ้นมาตามลําดับเข้าสู่ประตูอริยมรรคก็เรื่การเจริญวิปัสสนา พิจานาเห็นขบวนการกระแสในกายในใจของเราเป็นอนิจจังทุกขังนาจาอยู่เสมออย่างน้อยเข้าสู่อริยมรรคล้ทางแห่งอริยมรรคมรรคมีองค์8พิจารณาของทุกเหตุเกิดทุกการดับทุกวิธีการทุกทำอย่างไรพิจารณาคิดถึงแต่เรื่องนี้เราอยู่ในอริยมรรคนะถ้าทําได้สําเร็จก็เป็นอริยผลตั้งแต่โสดาสกินาคานาขึ้นไปตามลําดับถ้ามาสู่กระแสอันนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงจะนับว่าเป็นสาวกของท่านเอสะ พระกวโตสาวกสังโคใช่ไหมที่จะสวดอัถาปุริสาปุลาเอสาพระวโตสาวกสังโฆคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละที่ว่าเป็นสงสาวกของพระมีพระเจ้าเราจะไปเดินขบวนเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติได้อย่างไรแต่คนที่มาคนขวายที่เป็นสาวกของพระเจ้าจริงๆมีเท่าไหร่ใช่ไหมเอามาเคยถามหลวงพ่อเทียนว่าเออหลวงพ่อคนที่เป็นชาวพุทธจริงๆในประเทศไทยของเราแต่เมื่อยี่สปีก่อนนะ จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ถึง 2% ปซนะว่าันหลวงพ่อพูดน่าตกใจหมายความในร้อยคนเนี่ยจะมาสนใจเรื่องปฏิบัติเพิ่มมากพิ่ผลจริงๆไม่มถึงสองคนไงนั่นหมายความว่าเรานับถือพุทธศาสนาประเทศไทยบอก 95% าปอร์ซแต่ที่ความเป็นผู้แท้ๆเนี่ยไม่ถึง 2% ปแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วนะอันนี้มาถามเมื่อ20ปีก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นหเปอร์ซ็ดปซได้อ่า เพราะฉะนั้นถ้าเราเขาไม่บัญญัติว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็จะไปเสียใจเลยเพรายอมรับความเป็นจริงว่าเราเป็นผีเป็นพรามเป็นอะไรอยู่นะทั้งนั้นในเช้าวันนี้ลําดับมาถึงตรงนี้ปีหน้าเพิ่มาต่อก็แล้วกันเนา ะ, <c oughs> <c oughs> ะมันจบหลักสูตรนะทุกยจงไม่หมดงั้ไม่จบหลักสูตรนะปีหน้ามาต่อปีหน้ามาต่อจากอันนีจ้จำทุกขณตรามาถึงตรงนี้ก็ยังดีแล้วแค่นี้ได้ไปครึ่งนี้ถ้าเอาไปใช้จริงๆนะ ก็ทุกหมดไปเยอะแล้วนะทุกหมดไปเยอะถ้ากลับมาปีหน้ายังกลับไปที่เดิมมีอก็สอบตกไปเรื่อยๆเลยเนี่ยทุกไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นํากล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกรรมลาดับอารมณ์ในวิธีการของของพระเทียนพิจารณ์ผู้ว่าทางสายนีย้ต้องไปอย่างเนี้ยไม่ใช่ไปอย่างอื่นแล้วมันก็จะไปสู่การดับการสิ้นของกระแสทุกขกระแสดันหาได้ไม่ยาก ครื่งศูนย์นี่ถ้าหาว่าใครไปทำจริงๆก็ครบศูนยะ์นะนะถ้าหากว่าทำได้ถูกก็ศูนย์นี่ก็จะสมบูรณ์นั้นขออนุทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจศึกษาภาวนาเพื่อที่จะทำให้พพภูมิแห่งความเป็นมุนของเราสมบูรณ์แบบเป็นอริยชาติเป็นอริยภูมิให้พ้นให้ไกลไปจากทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่าน คือ